เกให้หนักก็พูดยากลำบากที่จะพูดแต่ว่าใจนี่มันจะแตกอย่างนี้อย่างที่มาไม่ดูไม่รําเวลาเมื่อมันทนิสัยเคยแสดงออกอย่างอย่างใดๆก็จะแสะดงอย่างเดียวคนนี้พอออกมาจากหลักนิสัยทำให้พูดหนักใจเพระจ้าของทําตัวให้หนัก กดถ่วงตัวหนักในตัวเลยแค่หอยกระจายขาบุ๋นให้มีจานวนมากน้อยขนาดก็หงงให้หนักไปตามๆกงงันนี่เราเข็ดนะึ้นมเราไปยุกูก ข, ข, ข, ข่ข้างขี่โน้นคดเรื่องหมู่เรื่องคณะแต่สมัยเราอยู่กับพแม่ปูจร์มันโอ้โอกเราจะแตกกันบะิงนะไม่พูดก็ไม่ได้จะ ท, ทำไง ไม่พูดไม่เตือนก็ไม่ได้ไม่ได่าไมากล่ า, าวไม่ได้มันเป็นในเห็นได้ชัดมันขวาง อ, อกข ว, ง ข, วงอขวางหูขวางเอนขวางหูขวางตาขวางจิตใจทุกอย่างไสววัตไสววะใหลเราอยู่นั่นตามหนีไม่เห็นหนีของจีบมันขวางเพื่อนเรต้องได้พูดได้ว่าวันนี้ก็ได้ว่าคนนี้วันนี้ได้ว่าองค์นั้นนี่เรี่ยงนั่นเป็นประจัง แล้วมาด้วยแล้วพาเด่นนะนเหนะล่งไหลก็มาเรื่อยมาเขามาแบบหมาขาบบ้าบุคลาล์มามันขวางทางมาเข้ามาในาวัดขวางอยู่ในวัดไปไหนกขวางไปนะี้ใส่แบบของขวางมันจะเป็นเครื่องทำล็อกบอกกิเลสได้อย่างไร นันเป็นเรื่องเพราะคุณกิเลสเ อ, อเ า, ากิเลสมาขีดมาความมาันจะย ม, มาย่ำทําลายหมู่เพื่อนนากจากเหยียบย่ำทำลายตัวเองแล้วมาเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่ อ, มมอมมน ม, <ช>มันจะไม่หนัดใดๆกิอเลสมันของเบาเหม่ยมันออกมาในแง่ไหนมันจะเสี้ยนแต่นังห อ, อกแต่เหลาทั้งนั้นมันพอใจมันส่งเสริมมันแล้วครูบาอาจารย์พูดไม่ยอมฟังแต่จะฟังเรื่องคิดถี่มั้นะ มันเป็นเรื่องของกิเอสของตัวเองนั่นแหละฟังตรงนั้นปฏิบัติตามนาั้นแสดงออกมาตา ม, มานี้แล้วขีดขวางหมู่เพื่อนก็ไม่มีสุขแต้ไหนไปชมกันกนะครับแล้วประชุมกันลำลับงนเงียบกันหมู่กับเพื่อนพูดออกมาอย่างอาจหรในเราเพราะไม่เห็นด้วยตาอมตาอยู่ลอ นี่เวลาอยู่กับครูวายจารย์นี้มันซ่อนเลสนะแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ลืมคำพูดของเราแล้วออกจากครูว า, า, ายจารย์ไปแล้วมันนินวันลาอมันจะออกเต้ น, นเกลงอะไรวะยวนันมาซ่อนเล็บเฉยเทีวว่จะซ่อนขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่านี้จะว่ายัางไงให้ออกไปมันยิ่งจะสนุกเตือนว่อะไรนะแล้วมันผิดที่ตรงไหนมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริง มีก็เหมือนกันมามบรรดมีรวดมีรายในยนั้นนะเด็กของน้องโ อ, ออาว่าเด็กของดีดของดีมีตะขี่นั้นเต็มตัวมัน ด, ดีมันดีเลยมันเหม็นครุ้งทั้งหมดทับหมูท่ทับเพื่อนท่าหมู่ท่าเพื่อนเงืกทั้งหมดนอย่างหนึ่งเอาเรื่องครูบาอาจารย์นะ เป็นโล่บางหน้าแล้วขู่เข็นหมู่เพ่อนแล้วทําตัวเป็นเจ้าอํนนานาจอยู่ในวัดนี่มันมีนะเอาคู่อาจารมาเป็นโล่เอาคำพูดของคู่อาจารมาจะกิงไม่ยิงก็ตามเอาเป็นโล่บางหน้าสนุกปวดรวดวลายปวดความรู้ความฉลาดปวดอํานาจวาสนาของตัวมันมีนะอยู่ในวัดนี่นะนี่อันหนึ่งสําคัญมากอันเนี้ยเนี่ยตัวเสน่ห์อะไรตัวนี้ยตัวแสบๆอันนี้แหละ มันมีอยู่ในวันนี้ใช่อยากดิบดักดีใครไหนมาไปดักดิบดักดีแต่ไม่มองดูเจ้าของตัวเป็นที่เป็นพายมันอยู่ที่หัวใจนั่นแนหะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมองข้ามไาข้ามมาให้มันจับใส่ออกไปตะดง ความไม่เป็นท้าออกสู่ตลาดแล้วไม่รู้เจตนาใครใครมาก็ไม่มีเจตนาว่าจะมาทำทาลายทำ้ายอะไรต่างใจมามาเจ้าของก็เชื่อเจ้าของว่าเป็นอัดเป็นทรมากเรา่อึกษาครูาอาจารย์อาจารย์ใหญ่อันหนึ่งที่ เป็นประมาจารย์น่ะในทางต่ำสามมันอยู่ในหัวใจนั้นมันฝังนั้นมันไม่เคยละท้อถอยไม่เคยห่างไกลจากใจเลยติดแน่นแนั้นฝังจับจมนั้นเราไม่คิดตรงนี้เราคิดแต่เรื่องความเรื่องธรรมคิดตรนมมแรงแงไปนี่ฮะหลักฮาเกตหาร์าราริปัญญาไปพิสูจน์กัไม่ได้ สติปัญญาก็มีแตสติปัญญาที่กิเลสมันผิดให้มาผิดให้มานั่นเอามาฆ่าตัวเองแล้วทําลายหมู่เพื่อนสติปัญญาเหลนี้นคือเรื่องสติปัญญาของกิเลสตัวมันวัตจักรวัตจิตจมันหมุนอยู่ในหัวใจนั้นเรายังโอ้อาภาคภูมิใจอยู่เลยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าออกมาอามันเกิดขึ้นในใจ อ, ออกมาวัดกนันดูสิกับเรื่องเหล่านี้มันจะต่างกันยังไง ทำไงั้นจะเรียกว่าศาสดา อ, องค์เอกหรือถ้าเหมือนอย่างพวกเร า, เราท่านๆนี่ความรู้สติปัญญาของท่านเหมือนพวกเรานี่จะเรียกว่าศาสดา อ, องค์เอกได้ไงสอนโลกได้ไงสอนทั้งสามโลกนี้ด้วยผมก็เลยจะดการม่านอาจารย์พูดเป็นแบโลกก็เหมือนจะเป็นนิสัยไปพวกขมยเพือ่อนไม่ได้เอาคํำดิบควีมาพูดเพราะเรื่องมันตําหูตาม ต, ตาอยู่ก็ล่อนอกจากไม่พูดเฉยมองไปแค่โดนแล้ว มองครับถุนแนวทั้งทั้งที่เราไม่ได้มุ่งที่จะย ก, กโทษยกกรุงหมู่พื้นแม้นิดหนึ่งแม่เดีย๋ย่แม่จันแม่นี่มีแต่ความไมตตาสงสารแล้วมันกระโดนอยู่งั้นจะว่างไงแล้วถึงว่าวาลาที่งพูดต้องพูดบ้างพูดอย่างที่ว่าเนี่ยเอาพี่คำพูดเหล่านี้มันเป็นความเสียหาแก่หมู่พื้นไหมที่ผมพูดเหล่านี้เอาพิจารณากับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นกับคําพูดของเราที่พูดออกไปนี่ อันไหนมันเป็นมงคลอะไรมันเป็นอัปมงคลเอาไปพิจารณาเคีเยงกันถ้าอยากจะเห็นเรื่องดีเรื่องชัว่วเห็นตามความสัจธรรมจริงของธรรมยยวิญญาณจริงเอาไปพิสูจน์ที่คำพูดของครูบาอาจารย์ที่พูดหนักเบามากน้อยอยากไปถือสําคัญนะให้ถือเหตุถือผลถือหลักที่เหตุแล้วมันเป็นความจริงแค่ไหนเอาไปพิสูจน์กับหัวใจเจ้าของหนะ่ะถ้าอยากจะทราบหผลเรื่องของกิจของกิเลสของธรงงธรมมันอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละ ละเอียดแหลมคมกิเลียพูดแล้วหูเราครนเราไม่เคยพูดคําพูดพ่อไม่รู้ไม่เข้าใจอางเราอุตส่าห์พยายามบึนๆตามหลักธรรมเจ้าเข้ามาทดสอบเราทาผู้เจ้าแล้วจริงไปหมดเลยจะว่าไงสาวค้าตสาวค้าโตไม่มีปัญหาอะไรเลยไอเจ้าปัญหาไหญก็คือพิเดียดน่ะมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นไม่เห็นดูอืเพราะสาวค้าทํา ทะลุเข้าไปตรงไหนแทงไปตรงไหนมันจะกระจายไปให้เห็นรู้เรื่องไปรู้เรื่องของมันเรื่อยๆไปจนเอามันจะไม่มีอะไรเหลือภายใใจมันตึงได้รู้ท่าเห็นกันเรื่องโลกเรื่องธรรมนะมันจะรุ่งที่ใจเนี่ยไม่รู้ที่ไหนแหะตามองเห็นก็เป็นธรรมมันมาหูได้ยินก็เป็นธรรมมันมาอะไรสัมผัสสัมผั ส, สมันเป็นธรรมมันมงหมดเวลาธรรมได้เกิดได้เป็นหรือใจได้เป็นธรรมแล้วใจมันเป็นยีเดียอะไรมันก็เป็นยี่เดีหมดนั่นแหละสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆของจมูกริมกาย หรือทำอารมณ์ก็มีแต่การสั่งสมกิเลสทั้งนั้นเวลากิเลสมันมีอำนาจมันสั่งสมตัวงมันอยู่ภายในจิตใจมันจะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ทํางานของมันตลอดเวลาเมื่อเวลาทำมีกําลังก็แทนที่กันตรงนั้นแ่ะตงที่กิเลสทํางานนั่นแหละทำทำงานตรงนั้นพังฆ่ากิเลสตรงนั้นทําลายกิเลสตรงนั้นเอาให้พังตรงนั้นสว่างกระจ่างแจ้งตรงนั้นน่ะนั่นแหะทำรู้ทำรู้ตรงนั้นในรููกิเลสก็รู้ในกระดาเดียวกันตรงนั้นแหละ ที่เลิทำลายสัตโลกก็ทำลายที่หัวใจไงใจดวงนั้นแหละท่าทมโมปิปูจะตรงไหนถ้าไม่ใช่ใจดวงนั้นที่ผ่าศจากี่เลสแล้วด้วยการชำรานะพูดไปนำาเนึ่ยก็พูดก่อนจงนั้นเวมนอ่อนๆกินตอนข้ามาต้องดื่มอะไรซะก่อนยังให้พรมันก็เป็นเเมื่อเวลาดื่มแไปแล้วมันก็ค่อยนุ่มจวน มองการ์ก็ได้เวลา